อันนี้ก็เป็นข้อความในพระเวสสันดรจาดกเนี่ยนะว่าพระเวสสันดร น, นี้ชีวิตของท่านเนี่ยคิดแต่จะให้อย่างเดียวก็ย้อนกลับมาอีกครั้งว่าตอนที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดที่จะให้เหมือนกันเนี่ยนะตอนที่พระองค์คิดเป็นพระโพธิสัตว์นั้นถ้าจะว่าไปก็คิดให้แก้วให้แหวนให้เงินให้ทองให้ข้าวของที่มีอยู่ที่เรียกว่าให้วัตถุเนี่ยนะแต่ตอนที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้ทั้ง วัตถุด้วยให้ทั้งธรรมะด้วยเนี่ยนะเรียกว่าให้ทั้งทรัพย์เนี่ยมีอยู่สองอย่างเนี่ยนะคือทรัพย์เนี่ยแบ่งในหนึ่งก็คือมันทรัพย์ที่เป็นของมนุษย์ทรัพย์ที่เป็นของทิพย์อย่างหนึ่งนะี่ยนะทรัพย์ของมนุษย์ทรัพย์ของทิพย์แล้วก็ที่เรียกว่านิพานเนี่ยนะทรัพย์ที่เป็นพระนิพานทีนี้ในบรรดาอาริยทรัพย์ทั้งหลายที่พระองค์เนี่ย ปรารถนาเหลือกเกินที่จะให้พุทธบริษัทได้รับที่เรียกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมธาญาติของเราเถิดอย่าเป็นอมิธาญาติเลยเนี่ยนะอย่าได้หวังเพื่อวัตถุมากนักเลยเพราะอะไรเพราะวัต ถ, ถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งแห่งการทะเละาะเบาะแว่งเป็นที่เป็นที่ตั้งแห่งการช่วงชิงเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งการรบราข้าฟันใช่ไหมอย่างเช่นทรัพย์มรดกทั้งหลายแม้ก็ทั้งพี่น้องก็ยังทะเลาะเบาแว่งกันเนี่ยนะ แก้วแวนเงินทองทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งแห่งศึกค่าศึกศัตรูทั้งหลายเพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นวัตถุภายนอกก็เป็นที่ตั้งแห่งค่าศึกแต่ถ้ามองในแง่ประโยชน์ก็มีบ้างเนี่ยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงโทษแล้วก็หาประมาณไม่ได้ทีนี้พระองค์นั้นหวังอยู่เสมอว่าไฉ น, นภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัทของพระองค์นั้นเพ่งได้ธรรมธายาธธรรมทายาธที่ที่เราทั้งหลายสามารถรับจากพระองค์ได้ก็คือทรัพย์คือสติปัฏฐานเนี่ยนะ สติประฐานสี่สัมะประธาน4อิทธิบาท4ี่อินทรี่ห้พล้าหโพชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดเนี่ยนะซับคืออริยผลซับคือนิพพานมันพระองค์ก็ประทานาทั้งหลายที่จะว่าทําชนไรสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่มีซับเหล่านี้ก็จะมีซับเหล่านี้เพราะว่าผู้ที่มีซับคือโพธิปัจจะธรรมทั้ง38แล้วก็เป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏทุกข์จริงๆเนี่ยนะเป็นซับที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ แต่ทรัพย์ที่เป็นโลกิยะทั้งหลายผู้มีบุตรก็เศร้าโศกเพราะบุตรเนี่ยนะพระเวสสันดรนี่โศกไหมเ พ, เพราะมีบุตร น, นะก็โหร้องไห้ไม่รู้กี่รอบอ น, นะก็เพราะบุตรนั้นผู้มีบุตรก็เศร้าโศกเพราะบุตรนั้นถ้ามีวัตถุทั่วๆไปแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความเศรา้าโศกวัตถุนั้นประนีดน้อยก็โศกน้อยประณีดมากก็ก็โศกมากเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายแม้กระทั่งผู้ที่จะจุติโดยมากจะเสียใจกันเป็นส่วนมากนะ สมมติว่าเราทั้งหลายทำบุญหน้าไปถึงสวรรค์พาอไปอยู่ในสวรรค์นะอย่างเช่นอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆมีอายุนะถ้าจะหมดบุญจะทำยังไงเพราะอะไรเพราะชีวิตในสวรรค์โดยมากไม่ค่อยทาบุญเนีย่ยนะไม่ไม่ค่อยได้ทำบุญอะไรเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนกับคนเข้างานกินเลี้ยงตลอดเอเวลาที่ไหนไปทำบุญเนีย่ยนะ เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ว่าเทวดานั่นแหละทำบุญได้ง่ายเทวดาก็บอกมนุษย์นั่นแหละทำบุญได้ง่ายก็ต่างก็ว่าซึ่งการและการก็ไม่รู้ใครได้ทำบุญจริงๆเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเนี่ยนะเป็นทางทางเดียวเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะก็ไม่ควรประมาททรัพย์ทั้งหลายโดยเฉพาะอริยทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ควรสแสวงหาตั้งแต่ในในบัตรนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะทรัพย์คือสติปัฏฐานเป็นต้น ที่เราทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจแล้วก็ถ้ามาเจริญอริยทรัพย์เหล่านี้ได้ทรัพย์อันนี้แหละที่เป็นไปเพื่อก้าล่วงโศกกะปริเทวะเนี่ยนะเพื่ออสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัทเพื่อบรรลุอริยมรรคแล้วก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานมัณฑะปฏิบัติตามทรัพย์อันนี้ได้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็ทรัพย์คือโพธิปักขยธรรมเหล่านี้เนี่ยนะพระองค์สรรเสริญมากยกย่องมากเพราะว่า ทราบเหล่านี้ผู้ใดที่มีก็พ้นจากวัตถุทุกได้อย่างแท้จริงฉะนั้นเราทั้งหลายที่ร่วมมีโอกาสศึกษาพระธรรมเนี่ยนะครั้งที่แล้วแล้วที่ผ่านมาจนถึงณบัดนี้และกุศลธรรมทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะบำเพ็ญต่อไปกุศลทั้งหลายทุกท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าขอจงเป็นปัจจัยเพื่อตรัสรู้ธรรมะตามที่พระเวสสันดรท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยนะพระเวสสันดรบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลาย ถึงความตรัสรู้พ้นจากวัตถุทุกทั้งปวงได้โดยประการใดเราทั้งหลายก็ขอเจริญรอยตามขอปฏิบัติตามเพื่อความพ้นทุกเหล่านั้นเนี่ยนะบนที่พระเวสสันดรกระทำแล้วพ้นจากทุกได้ฉันใดบนทั้งหลายที่เราได้กระทำแล้วเจริญรอยตามจงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกทุกคนทุกท่านะนะก็ขออนุโมทนาด้วยเช่นพานั้นมีใครติดใจสงสยัยสนทนาเรื่องทั้งบมไหม เขาเอามาคืนไงเขาพอฝนตกบ้านเมืองเขาดีอะไรแล้วเขาเอามาคืนเ<ช>พราะเขาเอาไปเรียกลอ่ลอล่อฝนกันหน่อยอพอได้ฝนแล้วก็เอามาคืนละแล้วก็เขาคงสงสารพระเวสสันดร อ, อยู่แล้วเพราะให้ช้างเหล่านั้นนั่นแหละจึงถูกไล่นีจจากบ้านจากเมืองนะชาวบ้านเขาก็กรุณาท่านทั่วทั่วๆไปเนี่ยนะท่านเขาสงสารพระเวสสันดรแต่เขาไม่ชอบที่พระเวสสันดรให้ทานมากเกินไปเฉพาะคนที่ไม่ได้รับนะคนที่ไม่ได้เป็นผู้รับทานเนี่ยนันก็ บางท่านหลายคนก็ตําหนิพระเวสสันดรแต่ที่จริงแล้วไม่ไมควรกับการตําหนิในจริยาปิดกแสดงไว้ก็ของมาไี้ยินดีมากว่าผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วไม่จํากล่าวถึงผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศรัทธาในพระตถาคตนั้นจึงเป็นศรัทธาที่ตั้งเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ที่ไม่เห็นคุณของของคำสอนที่พระผู้มีพระภาคแสดงเอาไว้นะ จะตำหนิพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์ซะโดยส่วนมากผู้ที่ไม่เห็นคุณของของการตรัสรู้ของพระ อ, องค์นะจะตำหนิข้อปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ประชาชนในยุคนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นในคัมภีร์ท่านกล่าวถึงาศาสนาอันตรทานเนี่ยนะกล่าวถึงปริยัตอันตรธานนิชาดกคือพระเวสสันดรชาดกจะอันตรทานก่อนเพื่อนเนีย่ยนะจะอันตรทานหมดไปก่อนเพื่อนถามว่าเพราะเหตุใดเพราะว่าสมัยนี้ส่วนหนึ่ง เอามาทําการค้าไปแล้ว น, นะส่วนหนึ่งก็ไม่เข้ า, ขาถึงเจตนารม์ว่าพระเวสสันดร น, นั้นท่านให้ทานเพื่อประโยชน์อะไร ก, ก็ไม่เข้าใจในส่วนนั้นด้วยมันเมื่อไม่เข้าใจจุดประสงค์ก็กล่าวตู่กล่าวกลนตําหนิติเตียนท่านผู้ที่ตําหนิก็ไปอบายเป็นส่วนใหญ่นะพระองค์ก็ไปดีอยู่แล้วใครจะตําหนิใครจะชมพระองค์ก็เช่นเดิมนะถ้าเราทั้งหลายชมพระเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรชาดกจะเกิดการเปลี่ยนแต่งใหม่ขึ้นไหม ก็เท่าเดิมนั่นแหละถ้าเราชมหรือตำหนิพระเวสสันดรก็คงเป็นเช่นเดิมเพราะท่านผ่านไปแล้วแต่ว่าการตำหนิหรือการชมนั้นเป็นผลของอนุชนรุ่นหลังเนี่ยนะเป็นผลของอนุชนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายมีความรู้ความเข้าใจเข้าใจถึงเจตนารม์ของพระเวสสันดร อ, อย่างแท้จริงเราก็จะไม่รังเกียจท่านถึงเราทำไม่ได้ก็ก็ปรารถนาเพื่อที่จะทาต่อไป ถึงเราไม่สามารถที่จะให้แบบโอ้โหแต่ละอย่างเป็นร้อยๆเป็นบันทันกับเหมือนกับท่านได้เราให้วันละเล็กวละน้อยก็ยังดีถึงไม่มีอะไรจริงๆก็เนี่ยยกนิ้วเนี่ยนะสิบนิ้วกราบนำ้ำมการพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนอพระธรรมคําสอนที่พระองค์สอนไว้เนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกเนาะหมู่พระอริยาสาวกที่ปฏิบัติตามก็ พ้นจากทุกแล้วหนอเราทั้งหลายขอเอาพระพูธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้าการตั้งจิตหรือการระลึกแบบนี้เสมอรู้เธอว่าจะเป็นไปเพื่อความสิ้นวัตจทุกข์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเรานับถือพระพุทธเจ้าผู้พ้นจากวัตทุกรและสอนธรรมเพื่อพ้นจากวัตทุกรพระธรรมที่พระองค์สอนเป็นธรรมะที่นําออกจากวัตทุกรหมู่พระระยะก็ปฏิบัติพ้นจาก วัตทุกทั้งมวลเพราะฉะนั้นการที่เรานับถือบูชาเคารพมีท่านเป็นสาระก็หวังได้ว่าเราทั้งหลายคือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันผู้ที่ถึงไตรสารณคมโดยชอบธรรมโดยถูกต้องเรียกว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะตามตา ม, มนี้กล่าวตาม อ, อ, อัตถกถาทักษิณาวิพังคสูตรเนี่ยนะแล้วก็อีกหลายแห่งที่กล่าวถึงว่าผู้ที่ ถึงไตราสารนคมโดยรู้คุณของพระตนตรัยคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันหรือจะเรียกว่าโพธิสัตว์ก็ได้ว่าผู้ข้องต่อโพธิยานโพธิยานนี้เป็นชื่อของยานในอริยมรรคซึ่งยานในอริยมรรคนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์จริงๆเนี่ยนะ